งั้นพระองค์เนี่ยรู้ใช่ัหมพระเจ้าฉลาดหมดแล้วเนี่ยทิฏฐิอย่างนี้หรือตัญห า, านี้ต้องแก้อย่างนี้ทิฏฐิที่ต้องแก่อย่างนี้ผมมอบก็มาถานให้เลยปัจจุบันนี้เราเล่นประเภทหว่านแห่นั่นนี่นะปลาเล็กปลาน้อยเอาหมดเก็บหมดเรียนทุกแบบเข้าไว้ก่อนพราะเกิดไม่ทันทําอะไรได้น่นาจาะทิฏฐิโลเกลปาทิยติเป็นต้นเหล่านี้ น, น, นะว่าหน่าจาะทิงฐิโลเกลปาทิฏติย่อมไม่ถือมั่นซึ่งอะไรสักหน่อยหนึ่งในโลก เธอย่อมไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถือรูปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ข น, ขนวิญญาณขันอะไรสักหน่อยหนึ่งในโลกว่านี้เป็นอัตตาของเรานี้สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของเราคือไม่ได้ยึดถือแบบนั้นเลยไม่ได้ยึดถือว่ารูปขันเป็นของเราเป็นของที่เนื่องด้วยของเราเป็นต้นใช่ไหมไม่ยึดถือรูปขันของตนเองแล้วก็ไม่ยึดถือรูปขันของคนอื่น ไม่ยึดถือเวทนาขันของเราแล้วก็ไม่ยึดถือเวทนาขันของบุคคลอื่นถ้ายึดถือโลกขันของตนเองคือยังไงยึดถือผมขนเล็บปันหนังเนื้อเป็นต้นเีตุของเราใช่ไหมแล้วเป็นของลูกของหลานก็ยึดถือยเนี่ลูกแต่งตัวดีๆหน่อยเซียนเนี่ยยึดถือยึดถือคนต้นเองไม่พอยึดถือคนอื่นด้ยใช่ไหมใช่แต่งตัวบุ้ยแต่งลูกปะไกตัวเองไม่พอก็ไปแต่งลูกปะไกลูกด้วยแล้วเวทนายึดยังไงพอตัวเองมีความสุขอย่างนี้ก็ให้ลูกมีความสุขอย่างนี้ใช่ไหม ยึดถือความจำเมัอนตนเองมีความจำเรื่องอะไรก็อยากให้คนอื่นจําอย่างเราฝงแต่งเหมือนกันเราคิดยังไงก็อยากให้คนอื่นคิดอย่างนั้นเราเห็นอะไรก็อยากให้คนอื่นเห็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่ายึดถือระกบขันตัวเองแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารอิจาของตัวเองแล้วยังไปยึดถือต้องการจะปูทางให้คนอื่นคิดอย่างเราแล้วนี่จริงๆเปนอย่างนี้นะพ่อแม่ปู่ตายายายเนี่ยเดี๋ยวมาสอนตัเองคิดยังไงก็จะสอนลูกเป็นถ้าเป็นหมอก็อยากให้ลูกเป็นหมอเนะ่ หรือมาอย่างนั้นก็อยากให้โลกเป็นที่ดีแล้วตัเองยิ่งยิ่งขึ้นไปยึดขันของตัเองไม่บอก็ไปยึดขันของบุคคลอื่นผู้ดูชนเป็นแบบเนี้ยส่วนคําว่าติอักษรเนี่ยนะในคําว่าเอวังติแม้อย่างเนี้ยเป็นไปในอักสามปินนะนะรวบรวมนะหมายเอาถึงการเนื้อความข้างหน้าคือการที่จะรวบรวมั้งหน้อียาบทแบทภาพเนี่ยนะเป็นปุปภาพระปฏิปทานนะที่กําหนดียาบทสี่เป็นทุกขสัจก็หมายความว่า ถามว่าอียบทเนี่ยคำว่าเป็นปูผ้าเนี่ยหมายความเป็นเบื้องต้นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นปูปผ้าเขาเรียกมากนะถามว่าสติที่กําหนดียาบทตัวสตินะที่กําหนดียาบทยืนียาบทเดินียาบทนั่งอียบทนอนสติคนนั้นเป็นทุกข์สัตว์เป็นทุกข์สัต์เป็นทุกข์สัตว์ตัณหาที่มาในการก่อนหมายความว่าตัณหาในอดีตที่เป็นปัจจยยัยจากสตินี่นะที่เป็นสมุทฐานของทุกข์นะชื่อว่า เป็นสมุทฐานแม้สตินั่นด้วยเป็นสมุทญาสจักคือตัณหาก็เป็นถามว่สติที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยอยาบทหรือรูปกายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะตัณหาในอดีตนะแล้วเพราะความยินดีใน ร, ร, รูกปรกายนะเราจึงสร้างรูปกายนะเพราะเราเยินดีในพอใจในการเห็นเราจึงมีลูกตาหรือเปล่าเขาเรียกลูกประตัญหาความยินดีพอใจในรูปสัทธตัณหาความยินดีพอใจในเสียงคันธตัณหาความยินดีพอใจในกลิ่น รักตัณหาความยินดีพอใจในรถผลิภัณฑตัณหาความยินดีในกายแล้วก็ธรรมะตัณหาความยินดีพอใจดีใจในธรรมารมฉะนั้นถ้าหากว่ามีรูปะตัณหาตัณหาเนี่ก็สร้างตาใช่ัทธาตัณหาก็สร้างหูไปตอ้งเลยเนี้ยสรุปก็คือว่าที่เราได้รูปปัจฉันได้เวทนาสัญญาตัณหาวิญญาณมาเนี่ยเพราะตัณหาในอดีตที่บวกกันกับกรรมในอดีตเนี่ยเป็นตัวสร้างไม่ใช่คนอื่นสร้างให้เราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าเนะย ไอ้ตัณหาเป็นต้นเราเนี้ยชนะตัณหานั้นเป็นสมุทัยสัจจะเป็นสมุทัยสัจจะส่วนสติก็ดีพวกรูปกายเป็นต้นเอียบทเป็นต้นนี้เป็นทุกขสัจความไม่เป็นไปของตัณหาความไม่เป็นไปของสติเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นเป็นนิโรธาสัจจะอียามาร์ตีกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยมีนิโรธเป็นอารมณ์นั้นเป็นมรรคสัจ ฉะนั้นยโยคาวจนนำมาซึ่งภาวนาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเป็งกรรมฐานในสัจจะทั้งสี่อย่างนี้ก็จะบรรลุสมบูถึงพระนิพพานได้เพราะเหตุนั้นดังพารนามานี้เป็นอุบายเครื่องนําออกจากวัตทุกของภิกษุผู้กําหนดียาบทสี่รูปหนึ่งจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ดังนี้อันนี้จบียาบทนะเดี๋ยวสรุปตรงนี้หน่อยสรุปที่กล่าวไว้ว่าสมุทัยธรรมาสมุทัยธรรมานุปัสสีตรงนี้นะย้อนไปดูหน่อยเดี๋ยวนแหละ จะเอาคำพี่อื่นมาเชื่อมโยงให้ดูว่ า, า, าท่านอธิบายยังไงเวลาอธิบายแล้วจะได้ทําความเข้าใจได้ถูกในในขันห้านี่นะกนําหนดตัดใจอ่ะความเกิดขึ้นของโรู ป, ประคันคือโรค ป, ประคันถามว่าโรค ป, ประคันคือดินน้ําไฟลมที่เป็นไปในขณะยืนเดินนั่งนอนที่เป็นกลุ่มโรค ป, ประคันทั้งบทนี่แหละที่ไล่มาโดยผมผมเลเร็บฟันหนังเนื้อเป็นตลอดถึงอยายุบทยืนเดินนั่งนอน ที่จริงตัวเอีบวดจริงๆเนี่ยไม่ใช่รูปเนี่ยเข้าใจไหมตัวเอียบวดจริงๆเนี่ยแต่ดินน้ําไปลมเนี่ยที่มันหมุนไปเป็นหมุนไปโดยท่าเนี้ยอย่างเงี้ยเลยเรียกเอียบวดนั่งพอดินน้ําไปไปลมที่หมุนไปในลักษณะที่มีการน้อมไปข้างหน้าแล้วก็มีการก้าวเดินไปเรียกว่าเอยบวดเดินเอียบวดที่หมุนไปโดยการที่ยืดกายท่อนล่างท่อนบนนี่มันตรงเรียกเอียบวดยืนส่วนเอียบวดที่ยืดกาย ไอ้วาโยธาที่แผ่ขยายไปในการส่วนควางเรียกว่าเยียบวนอนที่จริงว่าถ้ารูปประกายเป็นอย่างนี้เรียกว่าเยียบวนั่งถ้ารูปอีกประกอบเป็นอย่างนี้เรียกว่าเอียบวดนอนถ้ารูปประกายเป็นอย่างนี้เรียกว่าเอียบทยืนเดินทีมั้ยตัวเยียบวดจริงๆนั่นไม่ใช่รูปเป็นอาการของรูปเข้าใจมั้ยนะตัวเยียบทจริงๆน่ะมันเป็นอาการจะเป็นอาการแต่มันไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวนะถ้าการเคลื่อนไหวนั่นเป็นวินยัต แต่ถ้าเป็นท่าทางนั้นๆเนี่ยเรียกว่าอียาบทยากเหมือนกันนะแต่จริงๆไม่ยากหรอกไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าดูๆแล้วมันมันเหมือนว่าจริงๆอ่ะอียาบทมันไม่มีอยู่ในรูปยี่สิบแปดนั่นถูกต้องเพรอียาบทเนี่ยมันมีที่ไหน ล, ล่ะให้กำหนดอียาบทอียาบทเนี่ยจริงๆก็คือให้กําหนดความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปในที่อยู่ในอียาบทนั้นๆต้นุูดต้นพูดอย่างนั้นใช่ไหม ที่บอกกำหนดียาบทียาบทันเป็นตัวตั้งเห็นั่นเองเป็นประธานแรกแห็นั่นเองประธานในไอ้ปัตถามัญญาหะไอประธานแรกที่พระองค์ไม่ได้หมายถึงตัวนั้นเนอะหมายความว่ารูปธรรม ท, ที่มีอยู่ในยาบทนั้นใช่ไหมใช่ใชนั้นนั่งอยู่เนี้ยมันมีรูปธรรมนะ ท, ที่หมุนไปอยู่ในยาบทนั้นถึงนั่นงอยู่ใช่ไหมมันมีรูปธรรมที่หมุนอยู่นะทังนั้นมันก็ซดลงตำดาแล้วใชนั้นมันมีตัวตายตัวแท้ตัวแตกตัวดับตลอดเวลาแหละคอยค้ำจุนอยู่ทําให้ยาบทไม่ล้มลงอ่ะ รูปธรรมคอยเกิดคอยแตกดับคอยค้าจุนอยู่ตลอดเวลานะในขณะนั้นนะทีนี้ปัญญายังไม่ถึงขนาดความคมกล้าถ้าปัญญาคมกล้าอะไรเขาเห็นความแตกดับเบือน่ายไม่เอาอีกแล้วก็ไปเห็นจริงๆจะจะมีความเข้าใจเห็นนั้นนะนั้นรูปกา ย, ยทรงอยู่อย่างนี้ได้ไม่ใช่เกิดมาก็ตั้งตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนี่ไม่มีอะไรแตกดับไม่มีอะไรหมุนเมือนอยู่ในกระเจีกายไม่ใช่แตกดับตลอดเวลาเ น, นี่ยหมุนเนื่องไปอยู่ตลอดเวลานในในรูปกายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ แต่ละยาบวชมันก็ต่างกันเดียันแต่ละลูกแตกดับมันก็ดับไปในขนาดนั้นเนี่ยถ้าหากมันมีเสียงดังจริงๆว่าเสียงอย่างก็เอาเอาน้ํามันงาเอางาใส่ในกระทะคั่วเสียงจะแตกกระตกะตะตากไปเงื่อมันจะแตกอย่างนั้นเลยทีนี้มันไม่ดังอย่างนั้นนะใช่ว่าคนมีปัญญาดีก็เห็นหมดแล้วมันดังอย่างนั้นะเดือดร้อนเลยแตกดับอย่างนั้นแหละถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์คือเซลล์ในร่างกายใช่ไหมแตกดับตลอดเวลาอยู่อยู่ จริงก็คือลุมรูปธรรมวิยาศสตร์ก็หนดในิดเดียวพุทธญาณกาหนดทลุปุกโลงพุทธญาณกาหนดยังไงรู้ไมหนึ่งจักรวาลเนี่ยนะหนึ่งจักรวาลมีสามสเ็ูมแสงโกรดจักรวาลเราคูณไปดูดิแสงโกรดจักรวาลหนึ่งจักรวาลมีสามสพูมนะแต่พุทธญาณนั้นกำหนดในแสงโกรดจักรวาลรู้ไหมแสงโกรดจักรวาลใช่ไหมหนึ่งจักรวาลมีสามสิ็ดพูมก็ไล่ไปดูที่อบัยภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกลูกประภูมิสิบหกอรูปภูมิี่ รวมเป็นสามสิบเอ็ดภูมิหนึ่งจักรวาลถ้าแสนกว่าจักรวาลแล้วฉะนั้นถ้าเราเนี่ยนะที่เราแม้เนี่ถ้าหลุดจากพะภูมินี้ไปอยู่จักรวาลอื่นในยุ่งนี่เนี่ยยุ่งมากถ้าไปอยู่จักรวาลอื่นในยุ่งนะตายปวดจะได้มาเจองพระพุทธเจ้าพระเจเกิดจักรวาลเดียวนี่แหละชุบภูเดียวที่ทวีปอื่นไม่มาและเเกิดในเนี้ยในในในจักรวาลเนี่ยนะในจักรวาลนี้แหละในในจักรวาลนี้ก็เกิดในภูมิเดียวด้วยในชุบูทุกหยิบด้วย ในอุตระคนรทวีค like kind of <tal> so ือไม่ไปปุพราวิเทหะก็ไปอปราโยานนาทวีคก็ไม่ไปอภัยภูมิก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไม่ไปเกิดใช่ไหมลูกพมมลูกพมก็ไม่ไปมานี้แหละมนุษย์ูมินี่แหละในชมพูทวีคือไหนนอกจากวานอื่นไม่ไปอีกแล้วก็สามเดคลมหนึ่งจักรวาลมีสามเดภูมแสนโกจักรวาลทองคนพอพอศึกษามีป้าป้าอไม่กลัวน้าท่วมแล้ว เาว่าอีกหกปีเก้าปีน้าจะชอบกรุงเทพหรือมีไปจักรวาลอื่นจักรวาลอื่นมีใบพุ่มไหมมีก็อีกอตกในรลกได้กักนมีใจไหมไม่ไม่ดีเลยนะการเกิดไม่ดีจริงๆถ้ามันมีจักรวาลึ่งไม่มีอบพุ่มก็ดีนะน่าจะไปอยู่จักรวาล น, นั้นที่ไหนได้มีหมดมีใบพุ่ ม, มงั้นเป็นอย่างนะประเทศไทยมีคุกไหยประเทศลาวมีบ้างแถวนีหมดเลยนะั่นมีไปที่ไหนก็มีคุกหมด อาจารย์ปิดติ ด, ตดคุบหมดเลยทั้งนั้นนลยแล้วกติกาต่างหมายว่าโหดร้ายตามกันด้วยนะก็สรุปแล้วก็อยู่ใน พ, พวกรูปไม่ดีทั้งนั้นนะ ไ, ไม่ดีเลยอ่ะเ ด, เดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะเอาตรงนี้ให้ใหใหจบไปเถอะวันต่อไปจะได้ขึ้นในสำมัญชนันยอบอกอธิบายว่าเอาวิชาเกิดใช่ไหมเอาวิชาเกิดรูปขันก็เกิด อวิชาดับรูปประคันก็ดับตัณหาเกิดรูปประคันก็เกิดตัณหาดับรูปประคันก็ดับกรรมเกิดรูปประคันก็เกิดกรรมกรรมดับรูปประคันก็ดับอาหารเกิดรูปประคันก็เกิดอาหารดับรูปประคันก็ดับนี่นะนิพพัทธิลักษณะคืออาการเกิดของรูปแต่ละขษณะรูปมันก็คือว่าการเกิดของรูปเนี่ยเช่นว่ารูปประคันตอนก่อนใช่ไหมเกิดขึ้นเลยนะก็หนุนเนื่องให้รูปประคันต่อๆมาเกิดใช่ไหมแต่ถ้ารูปประคันเหล่านั้นดับแล้ว ปัจจัยมันดับรูปประคัที่สัยที่เรามันก็ดับอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าหากว่านิพพติลักษณะการเกิดของรูปเกิดรูปประคัก็เกิดนิปรินนามลักษณะลักษณะการดับไปรูปประคันก็ดับทีนี้ปัญหาคือว่าการสอาความเข้าใจอย่างรูปประคันกันนะว่าเช่นทำกรรมคนที่จะทํากรรมให้ให้รูปประคันเกิดได้และหนึ่งคนนั้นต้องมีวิชา ถามว่าเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายมาเพราะอะไรรู้ไหมทําไมเราถึงทากรรมที่ปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายกายเพราะไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรารู้เราจะทําเอามาทำไมเนี่ยอย่า้ผมขนเล็บฟันแบบเนี้เอามาทําไมล่ะเอามาเป็นปัญหาเป็นปัญหาหรือเปล่าผมขนเล็ปฟันหนังเนี่ยแต่ก่อนผมไม่ได้บอกแบบนี้นะเนี่ย ถ้ารู้ว่าผมเนี่ยมันหอกแบบนี้จะไม่ไม่ปราศจากนาผมหรอกใช่ไหมขนเล็บฟันเนี่ยแต่ก่อเรียกว่ามันดีไงเราไปทํากรรมเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะวิชามันปิดทําให้เราเข้าใจผิดว่าถ้าทํากรรมแล้วได้รูปฝักกายมาแล้วมันดีไงทีนี้มันไม่ใช่วิชาปิดอย่างเดียวนะมันอภิชาเนี่ยปิดทําไม่บอดแล้วปัญหาเข้ามากระซิบเนี่ยวันชอบใจอ่ะชอบใจที่จะทํากรรมที่จะทําให้ได้รูปแบบนี้ ฉะนั้นตัวตันหาเป็นยางเหนียวตัวอวิชชาเป็นตัวปิดทําให้มืดทำให้บอดแล้วก็ทํากุศลกรรมประเภทที่ปราถนาลูกขึ้นมานะปราถนาตาหูจมูกเลี้ย ม, มาฉะนั้นกรรมในอดีตที่มีตันหาและอวิชชานะั้นปิดและมีตันหาเป็นยางเหนียวนะั้นก็ทํากรรมเราจรึงได้ลูกปฝปกายในปัจจุบันนี้ อ, อัย่างฉะนั้นอดีตเหตุนะ่ยเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันในบทในปัจจุบันนี้ ทำให้เราได้รู ป, ปกายเนี่ยมาเนี่ยเพราะตัณหาเพราะาวิชาเพราะกรรมในบดีเป็นตัวสร้างเราได้มาแล้วสรุปแล้วยังไงก็คือได้มาแล้วเอวิชาตัณหาในบดีสร้างแล้วทีนี้พอได้มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตัณหาเขาสร้างมาไอ้กรรมแนบดีแล้ววิชาสร้างมามันไม่ได้จบแค่นั้นนี่ถ้ามีแค่เหตุนแนบดีอย่างเดียวรู ป, ปกายเป็นไปได้ไหมต้องไม่หยอดอาหารทุกมือไหม เนี่ยเมื bag, ่อกี้เราไปหยอดอาหารกันใช่ไหมอาหารสอดหยอดใช่ไหมถ้างั้นรวปกระกายอยู่ได้ไหมรูปกระกายจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดอาหารเขาเรียกคาริบกลาอาหารอาหารที่เป็นคําำใช่ไหมฉะนั้นเรารูปกระกายที่จะดําเนินอยู่ได้แล้วก็ดําเนินไปได้จะยืนได้จะนั่งได้จะนอนได้จะคูจะเหยียดจะพุ่มเนยได้เนี่ยอาศัยเหตุในอดีตคือเหตุกายัอย่างหนึ่งแล้วก็เหตุในปัจจุบันคืออาหาร และไม่ใช่ว่ารู ป, ปกายที่นั่งอยู่ณวันนี้ได้นั้นมันไม่ใช่ว่าอาศัยอาหารอย่างเดียวที่จะมานั่งได้นะต้องอาศัยการสืบต่อมาตั้งแต่เกิดในหมันนั่นใช่ไหมครเพราะการเกิดขึ้นมาเป็นมาตามำดับเนี่ยจึงมีรู ป, ปกายที่อยู่ในปัจจุบันนี้สรุปเบด็ดเสร็จก็คือนีสายเกิดเห็นไหมสายเกิดเป็นอย่างนี้ เพราะมีอวิชชาสัญหากรรมในอดีตเพราะมีการหยอดอาหารเพราะมีนิพพติลักษณะคือลักษณะเกิดขึ้น อ, อ, อดีตใช่ไ้นะเกิดขึ้นมาก็เป็นปัจจัยเหมือนก่ารูปรูปรูปนี้เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยรูปต่อๆมาเกิดตามมามันก็มีการสืบเนื่องเป็นมาอย่างนี้ยนี่เห็นแล้วใช่ไหมนี่สายเกิดทีนี้ถ้าอาวิชชาสัญหากรรมันดับอวิชชาสัญหากรรมในอดีตดับด้วยอริยมรรคนะ สมมติว่าถ้าทำอะเรียมารให้เกิดขึ้นมาโตมเนี่ยนะถ้าสามารถดับปัญหาดับอวิชชาดับดับกรรมได้ปุ๊บจะมีรู ป, ปรกายต่อไปไหยไม่มีปฏิสนธิที่เป็นรู ป, ปรกายเป็นต้นต่อไปแล้วและถ้าไม่มีอาหารหยอดรู ป, ปรกายจะแตกดับทันทีใช่ไหมไม่เคยนเจ็ดวันแล้วแล้วถ้าไม่มีรู ป, ปรกายในถ้าไม่มีรู ป, ปรกายเมื่อวานก็ไม่มีรู ป, ปรกายวันนี้ ถ้าไม่มีรูปกายเมื่อเช้าก็ไม่มีรูปกายตอนผ่านตอนวันถ้าไม่มีรูปกายเมื่อตอนบ่ายสองก็ไม่มีรูปกายตอนบ่ายสามถ้าไม่มีรูปกายตอนบ่ายสามก็มีรูปกายตอนบ่ายสี่เห็นไหมันหนุนเนื่องกันมเนี่ยนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ดับมันก็จะดับตามมาการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าทับทิจารณระลำดับแรกก็เห็นโดยอนุมานตามปริยัตินี้นะอันนี้เขาเรียกว่อนุมานในญาณ เห็นแบบนี้นะเห็นสายตรวยสายดับเนี่ยโดยฟังคําสอนเสร็จเสร็จแล้วอนุมาณตามเนี่ยเขาเรียกอนุมาณญาณคือการอนุมานเห็นใช่ไหมที่พออนุมานญาณเนี่ยามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปไข้ควรไปพิจรารณาใช้สติสัมปชัญญะใช้สติปัญญาพิจรารณาแล้วๆเราๆจนเห็นประจักษ์ชัดขึ้นมามันเห็นแตกดับเฉพาะหน้าแล้วคือไปพิจารณา ย, ยัางไงนะ พิจารณาว่าวิชาตัณหาเกิดรูปกายก็เกิด อ, อาหารเกิด ร, รูปกายก็เกิดี่ปริตลักษณะเกิดรูปกายก็เกิดแล้วก็วิชาตัณหาครามดับรูปกายก็ต้นจะดับอาหารดับรูปกายก็ดับวิปริณามาักษณะดับรูปกายก็ดับขีนความแตกดับนี่ไหมทั้งอดีตโอ้ท่าไม่มีอดีตก็มีปัจจุบันถ้าไม่มีปัจจุบันก็มีอนาคต น, นี่นะแยกแยกการสามให้ครวรแล้วแล้วเราเราที่นี่นะ ลำดับแรกเนี่เป็นเป็นอนุมานตามปริยัตินะเข้าเนเข้าความชัดเจนจากการปัจจคยานก็เกิดเขาเรียกปัจจคยานนะดีกาท่านว่านะั้นเพราะปัจจคยานก็แปลว่าเมื่อไคค่วนอดีตเหตุแล้วก็มาดูปัจจุบั น, นผลแล้วแล้วเราเล่านะเข้าเนีเข้าก็อนละพอเข้าใจอดีตเหตุชัดแล้วก็ละอดีกกดตเหตุละการไคค่วนในอดีตเหตุก็มาไคค่วนในปัจจุบันผลเนี่ยรูปกายที่เป็นไปในปัจจุบันเนี่ย ที่บอกรูปกายที่เป็นไปในขณะยืนขณะดเดินขณะนั่งขณะนอนน่ะเข้าน่ะเข้าเห็นความแตกดับเห็นความแตกดับที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเดินด้วยฐานะที่ว่าวิปัสนาญาณนั้นึ่งเข้าถึงความคมก้าในตัววิปัสนาญาณนี่เนี่ย้าเรียกเมื่อเข้าถึงความคงก้าวเนี่ยซึ่งบอกว่าในลักษณะของปัจจุ บ, นบันในภพในปัจจุบันในภพบคือที่บอกว่าการกําหนดปัดจจัยก็คือเมื่อกําหนดรู้ถึงความมีอยู่และความไม่มีอยู่อินีย์ห้า ก็หมายความว่ารูรปขันเบตนาฐานสัญญาฐานสังขารและฐานมีอยู่เพราะปัจจัยมีอยู่ใช่ไหมเพราะวิชาตัหากรรมและก็อาหารวิพติลักษณะมีอยู่และถ้าวิชาตัหากรรมอาหารแล้วก็วิปริณานาักษณะไม่มีอยู่ใช่ไหมไอตัวปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอยู่เห็นแล้วแล้วเราเล่าอย่างเงี้ยการมีอยู่ของปัจจัยและปัจจุบันของเหตุและผลเมื่อเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เบลเสร็จแล้วเนี่ยการเห็นโดยนิพติลักษณะและวิปรีนามลักษณะน คือผู้ปฏิบัติในกําลังเห็นความเกิดขึ้นและความแตกทาลายของขันห้าที่กําลังเกิดขึ้นแตกทาลายอยู่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้านี้นะเพราะว่าผู้ปฏิบัติมีมาหน้าจัดการโดยความเห็นความเกิดขึ้นและแตกทาลายซึ่งรูปธรรมและรูปธรรมด้วยปัจจุบันสันตติกร์เข้างไหมปัจจุบันในสันตติมันเห็นยังไงโยมเข้าใจไีมยกตัวอย่า ง, งาเช่นโยมอยู่ในอากาศข้างนอกใช่ไหมร้อนๆใช่ไหมก็เข้ามาปุ๊บข้างใน ความร้อนมันยังไม่หมดไปทีเดียวนะมันร้อนอยู่ก่อนพอสักพักหนึ่งความเย็นมันก็คืบ ค, คามเข้ามานั่นเ้าเรียกปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติฉะนั้ น, นความเย็นกับความร้อนเนี่ยมันจะมันจะไม่หายวบไปเลยทีเดียวหรอกมันค่อยๆคายไปยงั้นนั่นแหละการเห็นปัจจุบนันสันตติจะเห็นไปในลักษณะนั้นก่อนทีนี้พอการเห็นโดยการสืบเนื่องนี่นะเห็นรูปธรรม ที่เป็นไปอย่างการสืบเนื่องนักเข้าเนื้อเข้าเมื่อปัญญานั้นเข้าถึงภาวะความแ ก, ะกะ่กล้าทีนี้ไม่ได้เห็นปัจจุบันนนสติแล้วแต่เนี้ยไอการเห็นปัจจุบันขณะเพราะความปัญญาเน้นเข้าถึงภาวะที่คมกล้าสติและปัญญาเนี่ยเข้าถึงภาวะที่คมกล้านะคล่องแคล่วยิ่งนักเป็นไปในการมีภาวนาถึงมีการกําลังที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้นั้นน่ะนามาจิการอยู่ซึ่งความไม่มีอยู่โดยปัจจัยก่อนแล้วถึงปล่อยธรรมที่ทั้งหลายเนี่ยวิชาพิทักษ นั่นพอปล่อยทำเพื่อวิชาตัณหาทำในอดีกเบ็ดเดแล้วก็มาถือเอามามานาจการขันที่กําลังเกิดขึ้นและแตกดับในขณะปัจจุบันอยู่โดยปัจจัยแล้วก็โดยขันหักเบ็ดเสร็จอย่างนี้ก็จะเปมเห็นความแตกดับไอตรงนี้เป็นอุทยาพยายามเกิดเนะเห็นความเกิดขึ้นความแตกดับเฉพาะแน่ไม่ว่าการที่จะเห็นความเกิดดับเฉพาะปัจจุบันได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมัปุ๊บขึ้นมาทงขึ้นมาเนะเที่ยไม่เข้าใจอย่างนั้นแปลว่าหนึ่งเห็นอดีต กับปัจจุบันแล้วแล้วเราเราเชื่อมโยงกันจากปริยัติเขาเรียกอนุบ า, านยาณก่อนแล้วต่อมาปัจจักขยานถึงจะเปิดแล้วต่อไปก็มันเหมือนว่าเหมือนที่เราเรียนทางวิทยาศาสตร์หรือเรียนทางท่องสืบคุณหรืออ่านหนังสือใหม่ๆก็ฝึกการอ่านกไกสระอาโนหนูอ่า น, น, น, นว่ า, า, า, า, า, ากออาการนาการเนี้ยก็ช้าๆเนี้ยเพราะหนักเข้าหนักเข้าก็คล่องแค่วพอาคล่องแค่วไม่ต้องมาะสมตัวแล้วดูปั๊บเข้าใจใะ ปริยัติเป็นอย่างงั้นนะโยมเมื่อเราเข้าใจโดยโดยโดยอนุบาลนยานก่อนนะเข้านะเข้าไม่ไม่ต้องกําหนดนแล้วว่าเอาวิชาเป็นปัจจัยยังไงตัญหาตรมเป็นปัจจัยยังไงถือภาวะปฏิบัติเราเห็นความแตกดับเฉพาะน่ะตัญหาจะคลายตัวนีน่ถ้าถ้าเห็นความแตกดับเนี่ยปัญหาจะคลายตัวถ้าไม่เห็นความแตกดับนีเนอะปัญหาไม่คลายตัวเราก็ายังยิบนึนงก็มีใครจะถามเลยมีเกี่ยวกับนิยาบทไหมเนี่ยเกี่ยวกแล้วเมื่อกี้แถมมัาเนี่ย เยกะ บ, บทบอกาพาก็เป็นอันว่าจบเนียมีใครถามปัญหานนในเวลาที่เหลือมาสิกว่าจะไม่ถามอะไรเดี๋ยวข้าถามเข้าใจเพราะว่าจริงๆนะคือวัวตถุประสงค์ต้องการพูดไม่ให้โยมตามทำไม่บอกเพื่อหมดได้เลยไม่มาเลยม้งตามไปามแล้วเอาเอา่มาจะเรียนรู้ว่าไม่ใช่คือคือถ้าสมมติโยมฟังเที่ยวเดียวจำได้เนี่ยฉันจะไปหาโยมเองบ้านเลย ใไหมคือต้องเป็นคนพิเศษนะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่คือที่บอกนี่หมายความว่าสมมุติจะมีคนฟังเที่ยวเดียวแล้วจําได้หรือเข้าใจนี่นะคนนั้นไม่ธรรมดาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมไอ้ไมาจะต้องไปถามว่ายอมไปทํายังไงฟังเพื่เข้าใจรอบเดียวเนี่ย <c oughs> อ๋ <c oughs> อก็แสนกลับม <c oughs> า เขาบารมีก็าสร้างไว้ไหทานบารมีสีบารมีเมตตามาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิฐานบารมีเบคาบารมีอุเบคาบารมีแล้วอุปบารมีอีกสิบบรมัทธบารมีสิบแสนกับก็ตอนนางปตาจจลาเห็นไหมผ้าพอนหลุดเป็นบ้ามาเนี่ยผู้เจ้าอุทานว่าโอ้ยผู้บำเพ็ญบารมีแสงจับมหาตถาคนแล้วคนมีบุญมาแล้วเห็นไหม คนมีบุญแก้ผ้าเดินมาใช่ไหมพระเจ้าจอุทา น, า น, นาวน น, นะนี้คนมีบุญมาแล้วอันนี้จริงๆนะเนี่ยคนมีบุญมาแล้วนี่แสงกลับเต็มแล้วมาแล้วแต่มาแบบสติตาลไม่อยู่วันนี้ลแบบตัวนี้วใช่ไหมไม่ต้องแปกใจนะถ้าเราจะเป็นบ้าสาัจฉิไม่ได้แปลกใช่ไหมใช่ขอให้บารมีเต็มเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วบางองแล้วบางองนี่แขนขาดขาขาดใช่ไหม กวจะได้มารู้อะไม่ง่าง่ายนั้นเขายอมสลาดทั้งนั้นแหละไอสิ่งภายน อ, อกทั้งหลายอย่าลืมนะว่าอย่าอย่าแปลกใจว่าทําไมสมัยอย่างพภาษาลิบุตรเนี่ยใช่ไหมที่ไปหาพระสัชชีเนี่ยบอกว่าขอให้สอนเนี่ยพระสัชชีบอกว่าเรายังเป็นผู้ใหม่นเลยว่าทำวิธีนี้ภาษาลิบุตรว่าข้าแต่ท่านอาจารย์พยันชนะมากจะมีประโยชน์อะไร่จะมาพูดกันมากๆมีประโยชน์อะไรหรอ ใช่ไหมถ้าพยายนชนะนั้นมันไม่มีอัถารองรับมีประโยชน์หรอกคำพูดก็ทั่วไปเนี่ยยิ่งคุยกันก็สังสาวราวัตรก็ยิ่งยืดยาวเดี๋ยวฉันจะถามมากๆมีประโยชน์อะไรเจอหน้ากันจะถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมจริงๆพุ้ธจ้กทักไม่กี่คำหรอใช่ไหมทักเรื่องเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยเออเป็นยังไงมั้งเจริญพราาหาบกพิษเป็นยังไงอาตมาภาพเอออาตภาพนี่ไอความเป็นไปของชีวิตยังดําเนินไปสะดวกอยู่เหมือนกระทัดไทพากันเหมือนกั น, กน พอทักทายพอเป็นอัธยาศัยเสร็เสร็จก็เข้าคำสอนฉะนั้นอัธยาพยัญชนะมากเกี่ยวกับเดรัชานจะถามมากมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ใช่ไหมเราจะคุยกันนี้มากมายขนาดไหนมันก็วนๆๆกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็ไปยุ่งเราไปเจอกันพบภูมินั้นพบภูมินี้ก็ไปนั่งคุยกันรักกันมากก็พากันก่อนลงภูมินั้นภูมิที่เขาเห็นมีอะไรเลย่ะก็ไปทํากรรมไม่ดีทั้งหมดไปพิยาบทว่มีมีมีคเจริง จริงๆในนี้นะในดีในเนี้ยที่อาตมาไม่ได้เอามาเนี่ยคือเกี่ยวกับในเรื่องของปัจจัยคือยังไม่ได้สมคอลงปัจจัยนะที่ยังไม่สมคอเนี่ยเก่งใจเพรเราส่วนหนึ่ง<ต>คื อ, ค, อ, ค, อคือคือสาสตรี้ท่านขยายมาก่อนแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงนะคัดฉันโตวาคัดฉามีติประชาเนติเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดิน ทีโตวานีโตมีติปชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเออเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนมีสินโนวานีสิโนมีติปชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งสยาโนวาสยาโนมีติปชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนตรงนี้ท่านขยายคําว่าปชานาติาว่ารู้ชัดใช่คือจริงจริงก็ถึงฟังบาลีก็เป็นอัธยาศัยท่านก็แปลเราฟังใช่ไหมนะไม่ใช่ว่าท่าน มาถึงก็ลายภาษาบาลีไม่ใช่นะภาษาบาลีฟังเข้าไว้เป็นตัญสีภาษาเป็นภาษาของพุทเจ้านั้นตรงนั้นก็คือว่าที่จริงเกี่ยวกับการกําหนดปัจจัยเดี๋ยวก็จะเป็นรวมตรงเี้สามปรันย่าบั๋งเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเอาสวดมนต์กันหน่อยนะเวลาทเหลืออ่ะเอาสร้างใจสวดเจริญกุณลตามคุศลสังกุศลนะและเรียกถึงคุณของพระพูธเจ้าพระพาทธเ จ, จ้า อ่ น, นี้เป็นสาธยายอย่างนี้เป็นภาวนากุศลนะเป็นการสาธยายไปด้วยแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแบบนี้